50 languages. ห้าสซื้อของปุรุต卡尔วังุฎลที่ฉันต้องการซื้อของขวัญนองวอร์อันบัลิปุวังกเวนดุมแต่เอาที่ไม่แพงมาก อันออลวิ่งไล่อัดีก็านัลอาจจะเป็นกระเป๋าถือใครป ப ย ய า க ก ர อิรกลามோคุณอยากได้สีอะไรวุณ் க ு எ ந ்น க ์เด็กคัลเลร์วิรุปมสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว ர ுรุปป ப บราวนாาอัลลัตวิ่งไ ய ா ใบใหญ่หรือใบเล็กเฟรด้าอัลลัดซิริดาขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะไดยวิตต์นานอิดล์ปาร์คาลามาใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะอิดพปดม์เสียปัตโตลอลเซิดาจาหรือว่าทำจากพลาสติก อลล์เด็ดพลาสติกอลเทจากหนังแน่นอนค่ะคันดีพอเหอะทอลล์อลเซดัตตัใบนี้คุณภาพดีมากค่ะมีกุ้งตัวเริ่มอลและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะภายใวิไลมีกุ้งนิ่วยามาอั ดิฉันชอบค่ะยานั ก, กปิดติริกิร ற த ுดิฉันเอาค่ะนอนอாด்ยว க งกิ ள ்ลிีเร்ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องการเอาเสียมินดรอปล์มาติคุณลาลามะได้แน่นอนค่ะ ண ันด ப ் ப ก க เราจะห่อของขวัญให้คุณน้องกล์ยี่ใดปริสุปุรุ l สุตรุม Kavigatol s u ตร i t a ิ i g i r o ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะขอสั่เลอร์อังเกีอิริคิรา